ก็ในช่วงเช้าเป็นช่วงที่สงบสงัดร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมแลก็หเหมาะกับการฟังธรรมช่วงหลังมาอามาเเอาเรื่องของสุขภาพเข้ามาช่วยเรื่องการออกกลังกายเรื่องดื่มน้ำเรื่องทำนิทอดเรื่องอาหารปราาลดสารพิษเรื่องบริาหารร่างกายนี้เพราะเราได้สัมผัสถึงความรุนแรงของสิ่งแวดล้อม ดินฟาอากาศอาหารสารพิษอะไรต่างๆ เ, เข้ามารุมเร้าสุขภาพเราให้เกิดความแปรปรวนบ่อยๆต่อร่างกายของเราซึ่งสังขารทั้งหลายมันแปรปรวนตลอดเวลานะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ทาความเข้าใจเรื่องของชีวิ ต, ตจิตใจหรือสังขารร่างกายของเราให้ดี แล้วก็ปล่อยไปตามความอยากความต้องการความเคยชินเนี่ยร่างกายเราจะอยู่ได้ไม่นาน <c oughs> ถึงอยู่ได้ก็อยู่ได้แบบพิกลพิการไรสมรรถภาพอะไรทำนองนั้นซึ่งอยู่ด้วยความเจ็บป่วยอยู่ด้วยความไม่มีไม่มีความสุขเท่าที่ควรน่ะถ้าว่าเราไม่ใส่ใจที่จะแก้ดันั้นการที่เรา ต้งตั้งสติสมัมยยะเพื่อแก้ไขความแปรปรวนเหล่านี้ให้เป็นเป็นบวกขึ้นมาเพราะความแปรปรวนมันหมายถึงทุกข์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเบื้องต้นมีการแปรปรวนไปท่ามกลางและมีการดับสลายในที่สุดในตัวตัวกลางคือตัวแปรปรวนนี่แหละการเกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้การดับเราห้ามไม่ได้ แต่การแปรปรวนเนี่ยเราจัดการมันได้อันนี้คือทางเลือกของของผู้ปฏิบัติทางเลือกของมนุษย์ที่จะต้องการ <c oughs> ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้อยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์ได้เนี่ยต้องมาจัดการกับความแ ป, ปรปลุนเพราะมันเป็นกฎของสังขารสังขารทุกสังขารต้อมีการแปรปรนุนทั้งเรื่องที่เราเซตเราตั้งระบบอะไรไว้นีเรียบร้อยแล้วเนี่ย แต่มันมีการใช้งานเมื่อมีการใช้งานก็จะมีการแปรเปลี่ยนระบบออโต้ของสังขารเนี่ยมันจะต้องมีการเซตอัพปรับเรื่อยๆเราจะตั้งว่าดีแล้วที่นี้มันจะดีตลอดไปก็ไม่ใช่ในช่วงการทํางานในตัวออโต้มีการทํางานก็มีการแปรปรีนยนมนการแปรปลนีน อย่างส่วนที่เครื่องที่ว่าเราซื้อมาแล้วดีที่สุดมีออตโต้มีออตโต้คัสมีออตโต้ตัดโดยธรรมชาติอะไรโดยแน่นอนที่สุดพอใช้ได้มานานก็แปรปรวนเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมันจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นเข้ามาช่วยมาเสริมอย่างน้ําของเราเราเซตเอาว่าเครื่องดีที่สุดแต่พอระบบไฟของเราไม่ไม่เสถียร มีการกอร่อสร้างมีการใช้เครื่องไฟหลายตัวตั ว, ตวบางตัวใช้มากบางตัวใช้น้อยอะไรทํานองเนี้ยมันก็เกิดการระบบที่ซัพพอร์ตหรือระบบที่สนับสนุนมันไม่ไม่แน่นอนมันก็แปรปรวนมันไม่ได้ตั้งออโต้เอาไว้ที่เกี่ยวข้องมันไม่ได้ตัวของมันเองทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันในส่วนต่างๆเรียกว่ามันเป็นสังขาร คำว่าสังขารหมายความว่ามันไม่เป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในตัวของเองมันจะต้องเกี่ยวข้องกับค น, คนอื่นสิ่งอื่นอย่างเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ในโลกก็ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเราว่าเราจัดระบบตัวของเราเองดีที่สุดแล้วนะแต่มันก็มีการแปรปรวนเพออะไรผู้ดีจะเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเราเนี่ยนะหลายคนสมักสิบคนพ่อแม่พี่น้องเพื่อน ลูกหลานพวกนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้อตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวการเซตอัพไว้แบบเราไม่ได้เซตอัพเรื่องสติสัญญาไว้แบบเราแล้วอีกสิบคนเนยคนที่มีสติแบบที่เราปฏิบัติี่มีสักกี่คนที่จะสามารถจูนขึ้นก็นได้โดยที่ไม่ต้องมีการแปลปวนเพราะยากสิบคนก็เสียเงินไข ว่าเราจัดตั้งจัดเซตอัพระบบออโต้ของเราอย่างดีแล้วนะเวลาความคิดมาฉันจัดการอย่างนี้ฉันจะต้องอยู่ความรู้สึกอะไรเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอเวลามันมีเงื่อนไขเข้ามากระทบเนี่ยไอสิ่งที่เราตั้งกัาไว้แล้วจะไม่คิดนะมันก็คิดขึ้นมาอยู่ได้แต่ความรู้สึกเราว่าตั้งไว้ระดับชัดๆอย่างเงี้ยพอเงื่อนไขเข้ามากระทบอื่นมันก็หลุดไปอยู่ได้เห็นไหมนี่ตัวออโต้เทียวเซตอัพแล้วมันก็แปรปรวนไปกับเงื่อนไขอื่นส่วนจะแปรปรวนมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่ไอ สิ่งแวดล้อมที่มากระทบว่าปัญหาเยอะแค่ไหนปัญหาพ่ออย่างนี้ปัญหาแม่อย่างนี้ปัญหาพี่น้องอย่างนี้ปัญหาเพื่อนฝูงปัญหาเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ปัญหาผู้ที่ใกล้ชิดของเราไปอย่างนี้ตัวนี้แหละคือเงื่อนไขที่แปรปรวนอันนี้ในส่วนที่บุคคลนะแต่ในส่วนสภาพแวดล้อมมนะีปัจจัยเสีย่ย อ, อาหารแปรปรวนอากาศแปรปรวน ที่อยู่อาศัยแปรปลวนน้ำแปรปลวนไฟแปรปลวนเห็นไหมเงื่อนไขเราเนี่ยมันมันจึงเป็นสมุทยัยให้เกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจได้ไม่ไม่ยากเลยลนั้นเองหน้าที่ของเราที่จะสามารถบำบัดตั้งรับความแปรปลวนอันมากมายเหล่านี้ได้อย่างปกติมันไม่ง่ายเลยนะ ถ้าเราสติสัมยาของเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยอย่างสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราตั้งโปรแกรมไว้อย่างเงี้ยวเวลาเท่านี้จะทำอันนี้เวลาเท่านี้จะทำํำพอถึงเวลาจริงๆเราทําไม่ได้ตามนั้นเพราะมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาแปรปูนเปลี่ยนแปลงถึงแม้เราจะพยายามที่สกัดกั้นว่าในเวลาเท่านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามฉันจะไม่สนดละฉันจะทําอย่างเนี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขที่แปรปรวนจะได้ละ กะว่าในช่วงเช้าเราจะออกกําลังกายเราจะดื่มน้ําอุ่นอะไรเงี้ยพอช่วงเช้าขึเกิด เ, เกิดไฟดับน้ําอุ่นก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่พอแทนที่จะออกกําลัง ก, กายเออทังนั้นไปนอนก่อนที่ฝ่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วหเห็นไหมเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปอืมวันนี้เราตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้เต็มที่ออกใส่ใส่หน่อยกินอาหารเป็นพิษแทนที่จะไปศูนย์ที่ปฏิบัติเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่ามัน ปลปลวล่วนเราตั้งใจตั้งสติอย่างดีพอเสียงเกิดขึ้นปั๊บจิตเราก็แปลป่วนไปตามเสียงทันทีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ยากเลยที่เราสามารถที่จะถ้าสติสัญญาเราไม่เข้มแข็งจริงๆนะยากนะไอ้ตัวออโต้ระบบออโต้ที่เราเซตอัพแล้วมันจะคงที่มันจะแปลป่วนทันทีเลยนั้นเองการที่เรามั่นใจว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันจะต้องเผยใจไว้ครึ่งหนึ่งว่า ฉันคุมแกไม่ได้ร้อร์เซ็นหรอกนะเซ็อร้อยเนี่ยนะฉันช่วยแกได้ห้นี่ห้าิซนต์นเผื่อ mm. เผื่ออะไร uh, เผื่อความเข้มแข็งของเราเพราะเข้มแข็ ง, ขงเราก็ไม่คงที่ใช่ไหมเราคิดว่าเราเข้มแข็งที่สุดแล้วพอมือเงื่อนไขเอามันแปร ป, ปวนไม่คงที่ฉะนั้นในเรื่องปฏิบัติวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำํำถ้าไม่ทําไม่มีทางเลยที่จะอยู่สงบสุขได้ ไม่มีทางจริงเพราะนั้นแต่ตัววิปัสนาต้องทำให้เป็นเลยนะทำไม่เป็นก็วิปัสนานั่นเองก็จะไปสร้างปัญหาความแปรปรวนชนิดใหม่ให้เราอีกนะนั้นเองเราก็คำนึงถึงหลักการของพระพุทธเจ้าอยู่ดีว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาเพราะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมสติสัมยาให้พร้อมนี่อันนี้หลักการใช่ไหม หลักการแต่เมื่อหลักการไว้อย่างนี้แล้วนี่ความแปรปรวนสติสัมยาของเรามันก็จะน้อยลงสมมุติว่ามันเ <c oughs> มื่อถูกกระทบสิบครั้งมันจะแปรปรวนแคสิบครั้งเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่สามครั้งนะอีกเกครั้งพอพอรักษาพอเท่าทันมันได้อยู่ก็ยังดีนะหรือห้าสิบห้าสิบมันแปรปรวนสิบครั้งเราทนมาได้สักห้าครั้งอีกห้าครั้งเราทนไม่ได้ต้องตอบสนองมันเนี่ยก็ยังดีนะ ดังนั้นก็นอลพินมีการแปลเปล่นเกิดขึ้นเนี่ยบนหน้าจอทีวีรับไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเงื่อนไขาทุกอย่างในโลกมันเกี่ยวข้องกันหมดถ้าหากว่าเราไม่เท่าทันเนี่ยเราก็จะตอบสนองต่อสิ่งมกระทบรับเลยคุณรับเลยดังนั้นก็เราจะต้องพยายาม ก็กดปัดไปซ้ายขวา ก, กดปัดไปดเอื้นอนรับอยู่ทุกวันก็ยังรับไม่เป็นในค่ามแปลปรวนนี้ความแปลปรวนนีมน้มันแสดงตัวดตลอดเวลาถ้าเราไม่เท่าทันนะก็ไม่สามารถจะตอบสนอ ง, ไ ง, งกได้ เ, เอาเพราะว่าเราไม่เข้มแข็งพอรหรือบางทีงาาทงใช่คําว่าเข้มแข็งคือความจําเป็นนะ ความจาเป็นว่าในสิบอย่างเนี่ยที่จะต้องตอบสนองความจําเป็นอะไรทันไหมฮะเพราความแปรปวนไม่พอบริหารความาหความความเสี่ยงความแปรปวนฮเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคือความจําเป็นอะไรต่างๆที่เราจะต้องตอบสนองให้ทันต่อเหตุการณ์ไม่งั้นเขาบอเสียหายเอีกถ้าตอบสนองไม่ทันนั่นนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ ต้องทําใจละเผื่อเอาไว้มันได้ได้โอเคได้บางเสียบางเราี่สื่อล้วก็ตัดใจแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าในสิบอย่างแล้วมันได้สักเจ็ดอย่างมันเสียแค่อย่างโอเคย้อนย้อนแต่ห้าสิบห้าสิบได้ห้าสิบเสียห้าสิบมันเสียดายมีอาการเสียดายเกิดขึ้นใช่ไหมวันนี้แทนที่จะได้พันมันเหลือแค่ห้าสิบแค่ห้าร้อยยีกห้าร้อยนายเสียดายมันไม่น่าเสียไป สมมติว่าพันหนึ่งได้มาเจ็ดร้อยเสียสามร้อยโอเคพอทำใจได้ใช่ไหมใช่ไหมพอทำใจได้ไหมถ้าหมื่นมันได้มาเจ็ดพันเอาเสียไปสามพันช่างมันเถอะโอเคนะหวยงวดนี้แทนที่มันจะได้หมืน่นมันเหลือห้ารอยความแปรปนที่มันโอเวอร์บาลานแบบนี้มันไม่ไหวแล้บไม่ได้อันเดอร์บาลาน มันมันมันเกินความสมดุลพอดีมันก็ต้องทําใจอะ่ะใช่ไหมนั่นการปฏิบัติธรรมมันมีความจําเป็นต่อจัดการสิ่งเหล่านี้ยแต่ก่อนขึ้นที่จะไปมรรคผลผนิพพานคุณต้องจัดการใจที่มันจะต้องมาสมดุลสิ่งเลี้ให้ได้ในชีวิตประจำวันหลายอย่างที่เราเราเร า, เราต้องทําใจสามีเขาไปเงี้ยภรญยาเขาไปเงี้ยลูกเขาไปอเงี้ยพ่อเขาไปอย่เงี้ยแม่บางบางบางทีเราทําใจหลายเรื่องเลยนะบางคิมก็ไม่ไหวใช่ไหมก็เครียด ทำใจหลายเรื่องครื อ, อทำใจสักเรื่องสังเรื่อ ง, ง, องพอไว้แต่ถ้าเรามีสารของตัวรู้สึกตัวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นการทำใจมันจะง่ายขึ้นเพราะมีตัวเขาเรียกอะไรสติมันเป็นเหมือนไฮโดรลิกอะใช่ไหมมันใช้แรงนิดหน่อยแต่มันยกของหนักได้สติถ้ามันมีความเข้มแข็งพอเนี่ยเราละพละหนักแต่เราใช้กาลังเพียงนิดหน่อยได้ ที่เราจะทำไงให้สติมันมีพลังขนาดนั้นก็เราก็มาใช้ดินามิกเนี่ยดัมิกเมดิเทชันก็คือการเคลื่อนไหวอย่างมีพลังเอามาบางครั้งมาเรานั่งเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าเรานั่งอนาป่าไม่ได้นะเพราะว่ามันง่วงมันหนักมั น, นง่วงแต่พอเรามาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกลับไปธรรมนาอีวีมันกลับไปเรื่องง่ายเลยทีเนี้ยเพราะอะไรเพราะเรา เราเห็นความแปลปรนว่าไอ้เงินไขที่เซนซิทีฟหรืออ่อนไหวต่ออนาปานี่คืออะไรเรารู้ละหนึ่งความสงบสองความนิ่งสามความถื่อของร่างกายสจิตของเราที่มันถูกความสงบขอมงำแล้วไม่มีพลังพอเรารู้เงินไขเรานี้ปั๊บเนียเราก็นั่งดูมันว่าอะไรจะมาก่อนเงินไขเราเนี้ยใช่ความสงบมาก่อนเลย สงบไปสักพักก็อะไรง่วงใช่ไหมเราก็เริ่มแก้มันละดึิแก่แต่ก่อนกี่จะแก้เราต้องมาดูสาล่าว่าเรานั่งสงบเพื่ออะไรมันได้อะไรก็ต้องมาตรวจสอบว่านั่งสงบได้สุขไม่สุขเป็นเพื่ออะไรสุขเพื่อเสพใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ให้เสพสุข แต่ท่านบอกให้รู้เท่าทันสุขรู้เท่าทันทุกแล้วทีนี้นอสุเป็นทาไมเพราะว่าเมื่อไรเสพแล้วมันก็เป็นตัวตันหาล้วใช่ไหมตัวกรรมแล้วปฏิบัติเพื่อออกจากกรมแล้วทำไมไปเสพกรรมเสพกามทางจิตอะใช่ไหมเสพสุขทางจิตเสพสุขทางอาหารเสพสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสท่านไม่ให้เสพแล้วทำไมเราไปเสพอ๋อนี่มันเริ่มเท่าทันทั้งนั้นอะไรที่พระพุทธองค์ท่านเน้นว่าให้ทําให้มากให้ทําให้บ่อยความรู้ตื่นตัวใช่ไหม ควารู้ตื่นออนาปามันทําให้เราหลับก็ทําอนาป่าแบบตื่นทีเนี้ก็ น, นั่งกําหนดลมหายใจโดยที่ไม่ต้องหลับก็ได้โดยที่ไม่ต้องสงบก็ได้ทีนี้ระบอกเราก็นั่งยกมือเนี่ยเป็นภาระปวดแขนปวดขาปวดไหลใช่ไหมคุณก็นั่งเฉยๆบ้างบางครั้งแต่กลับมาดูถ้านั่งเฉยๆมันลมหายใจมันจะสงบทำไมคุณก็นวดแขนหรือขาไป ก็ศึกษาเรื่องมาสซาดไปนะหากิจกรรมให้จิตให้รู้ว่าตัวขณะที่ทําในจิตมันไม่ออกข้างนอกนะจิตอยู่นะอยู่ก็อะไรอยู่กับรูปกับนามเออมันก็สร้างกิจกรรมขึ้นมาอยู่กับรูปกับนามอย่างมีประสิทธิภาพถ้าสมมุติว่าเรานั่งบีบมือเล่นกับนั่งกํำนุลมหายใจแล้วมันเผลอเนี่ยแต่คุณมานั่งนวดมือเล่นกำลุลมหายใจไปดีกว่าไหมเออดี เนี่ยคือคือวิธีการคือมันต้องตรวจสอบว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรเราต้องการอะไรเหมือนกับเราทํากับวัตถุไม่มีผิดเลยทํากับรูปธรรมนะถ้าสมมตินั่งสร้างเยาวะไปมันง่วง ม, ม, มันเมาเบื่อแล้วคุณจะไปนั่งอย่างไรสาระมันคืออะไรสาระตัวตื่นรู้ใช่ไหมถ้านั่งแล้วมันไม่ตื่นรู้เข้มแข็งเนะี่ยทำอย่างอื่นได้ไหมมันตื่นรู้ดีกว่านั้นคุณก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเดินเดินไปข้างหน้าสักพักมันเบือ่อความตื่นรู้เริ่มหายไปคุณลองเดินถอยหลังดูดิ ควาตื่นรีดดูกว่าไหมดีฝ่าก็นั่งถอยหลังแสักพักเดินก้าวหน้าถอยหลังมันเบื่อเออถ้างั้นทําไงหาวิธีการปรับความตื่นรู้เนี่ยในโหมดใหม่ๆ ใ, ในวิธีการใหม่ๆแต่รักษาการคําว่าตื่นรู้ที่เนี่ยคุณไม่ต้องเฉล็บไปคิดเรื่องข้างนอกนะแต่กลับเข้ามารู้ให้ชัดว่ากายอยู่ยังไงขณะดกายกับใจอยู่ด้วยกันลักษณะตื่นรู้เนี่ยมันสบายหรือไม่สบาย สาะมันคือความสบายใช่ไหมความสบายร่างกายสบายจิตใจไม่ฟุง้งอาห า, ายอะไรหายใจปกติร่างกายปกติไม่ปวดไม่เมื่อยโอเคไหมโอเคปรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันจะไม่น่าเบื่อมากก็เลยนั่งได้ไปหลายๆชั่วโมงหนึ่งทีนยงเงี้ยปรับแบบนี้นะปรับมันไปเรื่อยๆนั่งมันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่นั่งนิ่งๆ น, นะก็ขยับหน้าขยับหล้างนดแห้งนดขาไว้ก <c oughs> ็รวมๆหายใจไป ก็เป็นสิทธิของเราที่จะทำอะมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ยากไรใช่ไหนี่ถ้าหากว่าเราทำเป็นเนี่ยอะไรมันก็ไปได้หมดแต่ปัญหาคือทำไม่เป็นอ่าทำไม่เป็นเมื่อทำไม่เป็นแล้วมันอะไรที่ง่ายก็กลายเป็นยากอะไรยากก็ไม่ต้องทำกนเลยนี่คือปัญหาของผู้ปฏิบัติะนะนั้นตลอดเวลาเป็นเวลาแห่งการศึกษาในสัตว์ธรรมาน ะ, ะบางวันอ้ำมาก็ลองทางานให้ไวที่สุด ผลออกมาเป็นไงบางวันทําให้หนื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆผลออกมาเป็นไงบางวันก็นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรผลออกมาเป็นอย่างไรก็ได้ผลออกมาทีได้อย่างได้อย่างวันไหนที่เราทำเร็วๆทั้งกายทั้งใจไวเราสูญเสียพลังเยอะเราจะเหนื่อยแล้วก็มีการสายลนุนหรสั่นสะเทือนของร่างกายและสมองเกิดขึ้นแล้วก็ปรับหมดลงมาเออขนาด น, นี่ย บางวันเนื่อยเฉยๆเรื่อยๆมันหนืดเหนื่อยเฉยชาก็ลาเมื่อยเหมือนเหมือนกันลาเมื่อยแล้วก็ดูแต่ถ้ามีการปรับเร็วบ้างช้าบ้างในส่วนไม่จำเป็นแล้วก็ควรจะช้าและนิ่งในส่วนในจำเป็นก็ตอบสนองให้มันเสร็จไวๆแล้วเวลาที่เหลือก็มาปรับปานกลางอะไรทำนองเนี้เพราะฉะนั้นอมาอยู่กับพวกสังขารทั้งหลายนะี่เยอะมากเลยนะ แต่ละปีที่มาต้องต้องหลบปีกวิเวกเพราะนะเพราะของมันเยอะวันวันคุ้มคือเขาสมมติของเขาให้มาเนี่ยเราจะทิ้งก็ใช่ที่ใช่ไหมเราจะให้คนอื่น ม, มันก็ไม่เหมาะเราจะเก็บไปให้แล้วก็เก็บเอาไว้เผื่อโอกาสที่ต้องใช้ครังหน้าของมีค่าบางไม่มีค่าบางเนี่ยคือถ้าหากว่าเราบริหารจัดการเหล่านี้ไม่ถูกหนึ่งเราก็เสียเวลากระสีเหล่านี้สองสิ่งที่เขาให้มาไม่เป็นประโยชน์ าาสามเราก็ไม่ได้ประโยชน์ในสิ่งนั้นแต่พอบ ร, รหิหารจัดการให้ถูกจกังหวะเวลาให้พอดีหนึ่งเราก็ไม่เสียเวลาสองสิ่งที่เขาให้มามันก็เป็นประโยชน์คุ้มค่าของมันนะและสามก็คือในประโยชน์ที่ได้มันเกื้อกูลต่อผู้อื่นด้วยอันนี้คือคือคือา ก, การบริหารจัดการ ดังนั้นให้ยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องมียอมรับความแปรปรวนเปลียป่ยนแปลงแต่ถ้ายอมรับมันโดยที่ไม่รู้เนี่ยการแปรปรวนก็จะเป็นทุกข์และเป็นโทษมหาศาลแต่ถ้าเรารู้วิธีการฝึกฝนบริหารจัดการไอ้ความแปรปรวนทั้งกายทั้งใจทั้งอารมณ์ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ย ถ้าเราบริหารจัดการอันไหนที่ทําได้ก่อนจัดการอันนั้นก่อนอันไหนที่ไม่ทําไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนอันไหนที่เราบริหารจัดการได้ทําไปก่อนและสิ่งที่บริหารจัดการได้สมมุติมันมีสิมมอย่างเนี่ยเราบริหารจัดการทีเดียวไม่ไหวอ่ะใช่ไหมก็ดูว่ามันจําเป็นสักกี่อย่างใน10อย่างเนี่ยเอาที่จําเป็นก่อนจําเป็น3มอย่างทํา3อย่างให้ดีที่เหลือก็ค่อยว่ามีเวลาค่อยทําไปหรือถ้าไม่จัดการมันก็ไม่เสียหายอะไรก็ปล่อยไป ถ้มีเวลาว <t> ่างๆก็ค่อยจัดการในส่วนเหล่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่อยู่ด้วยการศึกษานะเป็นเรื่องมีทุกกับทุกข์เท่านั้นนะชีวิตนี้แทไม่รู้มันเกิดมาทําไมเกิดมาทุกข์กันนะมันก็ไม่น่าเกิดเลยความเบื่อหน่ายมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมเกิดมาทําไมเพื่อบริหารจัด ก, การทั้งที่ที่ไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยใช่ไหมเรื่องของลูกของผัวของเมียของพี่ของน้องของเพื่อนของฝูงพางที่ปัญหาคนอื่นมาถามเราเราก็ไป เป็นวักเป็นเวนแก้กันเอาเฉยเลยทั้งท่านนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเลยนะแต่เราก็ต้องทอําอ่ะในนามว่ารับผิดชอบ <c oughs> นาของผู้มีธรรมะไอ้อ น, น่องเนี่ยแต่ก็ทุกแทบตายอใช่ไหมคนเหล่านี้ทุกเพราะความดีอ่าทุกทุกเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทุกเพราะเรื่องสมมุติดังนั้นเวลาก็อย่างที่ได้กล่าวว่ามีสองเวลาหนึ่งเวลาที่เราต้องอยู่กับ ส่วนรวมสองเวลาที่เราอยู่กับส่วนตัวถ้าเราอยู่กับส่วนรวมเนี่ยการบริหารจัดการยิ่งแยกมากเราจะอยู่อย่างไรให้แบบใช้ของใช้สิ่งนี้แล้วก็วางสิ่งนี้ใส้สิส่งนี้กระมาสิ่งนี้หรืที่ไม่ต้องถือไว้อะแต่พอมีเงื่อนไขอื่นที่จะพร้อมที่จะทําก็ทำต่อได้แต่ของสิ่งนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละพอเสร็จ นี่คือวิธีการแบบทูปธรรมคือหมายความว่าใช้แล้วก็ ว, วางใช้แล้วก็ ว, วางมันก็จะไม่เป็นภาระแต่จิตของเราเราไม่มีเอ็กซ์เพียไม่มีประสบการณ์ใช้แล้วก็ ว, วางเราใช้แล้วก็เก็บนะเดี๋ยวเกี่ยวข้องเรื่องนี้ต่อยุ่งกับเรื่องนี้จะไปทําเรื่องนั้นจิตยังไม่วางเรื่องนี้เลยนะใไมยังไม่วางเรื่องนี้พอไปเกี่ยวทธงนั่งต่อมันก็เหลือครึ่งเดียวใช่ไหมอีกครึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยพอไปเกี่ยวข้องมันก็แบ่งด้วนะี้อีกครึ่งหนึ่ง อาจจะไปทำต่อไปก็แบกอีกครึ่งหมดเลยนี่คือตัวทุกข์เพราะเราวางไม่ทันฮะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าจะวางไอ้วัตถุเนี่ยพ้นมือเราก็ถือว่าวางแล้วใช่ไหมแต่แต่แล้วว่าเราไปเกี่ยวข้องดูไปสิ่งนี้มาจะถือว่าสิ่งนี้พ้นใจแล้วได้ไหมไม่ได้น่ะมันก็ติดอยู่นั่นแหละนี่คือความยากของมันเขาเรียกวุปทานวนะุปทาน ดังนันการปฏิบัติธรรมเพื่อไปบริหารจัดการเหล่านี้ให้ได้ก่อนแล้วเมื่อบริหารจัดการเหล่านี้ได้เนี่ยมันเกิดทักษะต่อรูก ป, ประธรรมเมื่อเกิดทักษะต่อรูปธรรมแล้วมันก็เกิดทักษะที่เป็นนามธรรมรู้จักวางความคิดไป็นละรู้จักวางภาระเป็นถึงจะมีอยู่แต่เหมือนไม่มีนะหมายความว่าออกจากสิ่งนั้นได้ทันทีไม่ต้องห่วงว่าน้าจะเสียไฟจะเสียของจะหายไม่ต้องะทิ้งไปเลย ถ้ากลับมามันยังอยู่ก็คือยังอยู่เอามาดูของที่มีค่าดีบ่อยมากนะแต่มันก็แปลกมันไม่เคยหายนะมันกลับมาเจอมันเหมือนเดิมเออมันก็เป็นจะว่าบุญก็บุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอะก็ทําใจไว้คือหายก็คือหายนะอ่าก็ไม่ทุกค่ะคือถ้ามันเป็นทําใจว่าถ้ามันเป็นของเรามันต้องกลับมามันต้องเจอทํามันไม่ใช่ของเราก็เอาไปสิเป็นเรื่องอะเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่ รถจอดเอาไว้เขาลากเอาไปถ้าเป็นเขาเขาก็ไปสิไม่ว่ากันทำใจได้ไหมไม่สุ่มออกไม่ได้ออกมาออกมาแล้วรถไปไหนไม่รู้เนี่ย <c oughs> วุ่นวายเลยใช่ไหม <c oughs> ปฏิบัติทำได้อารมณ์ดีช็อกเลยนะแต่พ่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยมากบ่อยมากแต่มาก็็ช่วงดีมันไม่มีซ้ำสองนะ่างก็ทำใจนะ แต่ไปเจอจะเยังโชคดีอยู่นะเอออันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วเออมันเป็นของเราตรงที่ว่ามันเป็นบุญที่เราทำมาไว้ก่อนอาจจะเป็นได้มันก็ไม่ไปไหนนะบางครั้งเสี่ยงนะเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้มากเพราะว่าไอ้ความจําเราก็เริ่มไม่ค่อยดีใช่ไอมบัตรนั่นบัตรนี้จิตของเราก็มันก็วุ่นโดยสิ่งเหล่านี้วันวันวุ่นกับสังขารยิ่งมากขึ้นจิตมันก็จะวุ่นมันหายไปปั๊บ อารมณ์สับหายไปในวุ่นหารสับวุ่นเลยใช่ไหมเนี่ยวันวันหนึ่งมันมีสิ่งอะไรเนี่ยเข้ามาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราไปมีอุปทานกับมันมันเป็นทุกข์เลยแต่ถ้าไม่มีอุปทานกับมันมันกลายเป็นสีสันของชีวิตกลายเป็นสีสันกลายเป็นกิจกรรมกลายเป็นห้องเรียนว่าเออเนี่ยความจริงของโลกที่เขาทุกข์กับมันก็คืออย่างนี้แหละนะแล้วเราจะทุกข์กับเขาไมไ้มเราก็เริ่มได้ ได้ความรู้จากสิ่งเหล่านี้แต่จะไปทำอย่าอาตมานะถ้าบุญโยมไม่พอเนี่หายเท่าไรหมดเท่านั้นก็เลยกันลืมเท่าไรหมดเท่านั้นน ะ, ะดังนั้นก็จึงไม่มีทุกข์เพราะลักษณะที่เราตั้งใจไว้ก่อนอเรามีสิ่งนี้วันหนึ่งก็มันต้องหายไปนะพอมันหายจริงๆแล้วกูว่าแล้วนะมันต้องหายก็ถึงเวลามันแล้วนี่แต่ขณะที่มันยังอยู่กับเราหรือโอเคใช้มันไปแต่เราเริ่มไม่ประมาทมากขึ้นนะ ไประมาณว่าคือเออมันก็ยังจำเป็นถ้าเรายังต้องทำงานแต่เมื่อไหร่มันหายบ่อยเข้าไปอเข้ามาก็จะหยุดแล้วทีนี้ไปไปไหนละขี้เกียจยุ่งกับมันอ <c oughs> ตอน น, นี้มันเรงจำอะไรได้อยู่แต <c oughs> ่คราวที่แล้วเราให้ฟังเราที่ว่ า, าผ่านตรอมอที่เกาหลีใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ทิ้งยาไว้ที่ไอตรอมอนั่นแหละจะไปถึงะจะขึ้นเครื่องแล้วไคว้าไอของ ย่ามเายามไปไหนเนี่ยหเหลือได้กระเป๋าแล้วมันเป็นของฉันก็อยู่ตรงนั้นเลยวะแต่พวกนี้มันเอาพวกเอกสารพาสปอร์ตอะไรใส่ในในถุงเอกษาวไว้ใช่มมันก็ขึ้นเครื่องต่อได้ไม่งั้นตกอยู่ตรงนั้นแหละถ้าใส่ในมันก็โชคดีนิดหนึ่งใช่ไหมพอไปถึงแต่เราก็แจ้งไอ้ไอ้สวิสเตเซอร์มันเอาไว้เนี่ย ฉันลืมยาไปเื้อคุณหายหน่อยก็เลยถ้าชาเจี๊ยก็ส่งให้หน่อยก็แล้วกันพอผ่านไปสักวันมันก็มีแฝกมาอันนี้ของคุณใช่หรือเปล่านะใช่ใช่ต่ออีเมลหน่อยงั้นอีสองวันคุณไปรับที่แอร์พอร์ตก็แล้วกันนเครื่องมันจะเข้าอีสองวันเข้าของเกาหลีอะไรนะเออก็ดีนะ แล้วก็แย่หายของอะไรทรุกออย่างเลยนะบัตรเบอร์ ATM ตังอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นะ mm hmm. พอถึงวันก็อาพาไปส่งแอร์พอร์ตไปทําไมหลวงพ่อไปเอาของอะของอะไรผมยืมญามาิไปอ๋อขนาดนั้นเลยเลยหลวงพ่อพระก็ตกใจกันว่าหลวงพ่หลวงพ่ อ, อ, พอทําไมไม่หนาวไม่ร้อนเหรอไม่หนาวไม่ร้อนอะไรปรดีวบัตรมาขนาดนี้แล้วทำไมาันของเราก็ต้องกลับมาหาเราทาไมของเราก็ไปทางอื่นก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปใช่ไหม ไม่รู้วันไหนที่หลวงพ่อจะโดนแช็คพอตใหญ่ๆกว่านี้อีกครั้งนะหลวงพ่อมีหวังได้อยู่เดินทางไม่ได้ลองแต่มันเป็นไปโดยที่ธรรมชาติของมันนะอ่ะเออเป็นมันเกี่ยวกับคือสัญญาทางด้านด้านขันห้านี่มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปตามขันห้าใช่ไหมแต่สัญญาที่ที่พุทธเจ้าว่ามันเที่ยงคือสัญญาที่มันเปลี่ยนเป็นปัญญาแล้วคือเปลี่ยนเป็นปัญญาด้วยว่าสัญญาถ้าเปลี่ยนเป็นปัญญามันเป็นปรามัตดใช่ไหม แต่สัญญาที่มันอยู่ในขันห้าอยู่เนี่ยมันยังเป็นรูปเป็นนามอยู่อะมันยังไม่เป็นปรมตาทั้งหมดมันก็ต้องแปลปุ่นไปตามเงื่อนไขของของสังขารนะผู้เฒ่าที่รองรับพวกเราในอนาคตของผู้เฒ่าเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับสติมากสติน้อยถ้าสติมีมากมันก็คุมสัญญาตรงนั้นให้ทํางานได้ดีอยู่ถ้าสติน้อยสัญญาตรงนั้นไม่มีตัวอะไรคุมก็ไปเสื่อมไปแล้วทำเรื่องของมันผู้เฒ่าพออายุวัยสูงวัยขึ้นเราจะทาอะไรได้น้อยลงเรื่อยๆใช่ไหม เพราะอะไรสัญญาเรื่องไม่ดีมันก็น้อยลงน้อยลงในที่สุดผู้เท่าก็ไรประโยชน์เนาะม่ยความ <c oughs> คือลูกหลานก็เริ่มปล่อยว่าไม่มีประโยชน์แล้วผู้เท่าไปฝากไว้บ้านคนชราบ้างไปฝากไว้ให้คนอันหนึ่งก็เปลี่ยนการรับผิดชอบเป็นวาระไปเออสามเดือนอยู่กับลูกคนนี้นะลูกคนยังไม่ไหวมึงเอาไปก็แล้วกันเอาสามเดือนอยู่กับกูบกเปลี่ยนงี้ไปเรื่อยๆทีเราก็ไม่อยากจะเป็นผู้เท่าแบบนั้นใช่ไหม เป็นเท่าที่มีสติสัมยา ด, ดีมีคุณค่าต่อเป็นที่ปรึกษายังทํากิจกรร ม, ไ, มได้เหมือนกับไม่ร้อเร์เเหมือนตอนหนุ่มแต่ให้อย่างน้อยก็ถ้ามาหกสิบเจ็เรซ็นต์าก็ยังมีคุณค่าต่อสังคมนั่นคือการบริหารใช้ตั้งแต่ที่เรายังเข้มแข็งอยู่ถ้าเราไม่ฝึกบริหารใช้สติสัมยอันนี้ไปไอ้ทักษะคือความเชื่อชื่นฉันานนะ่ะมันเหลือน้อยสมองเราก็จะลดความทรงจําลดการทํางานลดกิจกรรมลง เรื่อยๆอันไหนที่เคยจําก็ลืมนะดังนั้นเขาก็มีการฝึกปัจจุบันนี้นะที่งานวัดธรรมใช่ไหมระหว่างคนอายุสิบห้คนหรืคนคนละเรื่องนะอีกคนอายุสิบห้าเหนเหมืนลูกสาวอีกคนในห้องเหมือนแม่เลยนะใช่ไหมอาจารย์วาลุณีใช่ไหมอายุหกสิบห้าเดียวเปี่ยนเพลียมมีคนเนึ่งนะฟันหลอหมดแล้วหน้าเหี่ยวยนะุอีกคนยังใสเหมือนลูกสาวเลยอายุหกสิบเท่ากันนะนะเพราะฉะนั้นเขาบริหารจัดการ ทางกายสมองศติปัญญาตลอดเวลาแล้วก็ทํางานได้เหมือนเหมือนคนหนุ่มคนสาวอายุ6กสิห้าแล้วแต่อีกคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นแม่นะจเป็นภาราของลูกของหลานนะ่ะเพราะไม่บริหารจัดการดังนั้นการบริหารจัดการใช้หนึ่งดูแลสุขภาพให้ดีการอรอกกาลังกายการดื่มเป็นเวลาการกินเป็นเวลากินให้น้อยลงอย่ากินมากเพราะเราอะไเพราะเราใช้กําลังน้อยลงถ้ากินมากเหลือกําลังเหลือก็จะไปทําร้ายร่างกายเราต่อ ทำให้เราเกิดโรคไข้แค่เจ็บเป็นโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานโรคมะเร็งตามมาเพราะกําลังที่มันเหลือไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะกลับไปทำร้ายตัวมันเองแต่พอหาก็เรากินเท่านี้ใช้หมดเท่านี้โอเคกลายเป็นพลังงานอาหารกลายเป็นพลังงานแต่ถ้าหากว่เรากินเข้าไปเราจะใช้วันนี้กําลังแค่ครึ่งกิโลแต่เรากินเข้าไปกิโลหนึ่งเนี่ยอีกครึ่งกิโลทำร้ายเราละเราก็มันจะทําให้ร่างกายเราเสื่อม น น, นเรารู้ว่าออวันนี้เราไม่ได้ทำงานอะไรมากก็ต้องออกกำลังกายให้มันหมดกําลังอันนั้นอ่ะเอามาก็เลยใช้สูตรแบบเนี้ยเออยิ่งพระเนี่ยมีอะไรเขาก็จะถวายของดีๆทั้งนั้นนะใช่ไหมถ้าคืนเราก็นั่งเสวยโดยที่ไม่เราทําอะไรเลยเนี่ยเอามาก็ตายเร็วขึ้นป่วยเร็วขึ้นอะไรนะ อไม่ละมันจะต้องดูความเหมาะสมผู้ดูแลเนี่ยต้องฝึกให้เขาให้เขาออกกำลังกายผู้เราเป็นลูกใช่ไหมพ่อแม่ของเราในเรื่องแก่แล้วก็ฝึกให้เขาออกกำลังกายฝึกให้อย่างแยนั้นเนี่ยทาไมเอามาต้องทําแปลงพอไว้ข้างล่างแกจะได้ขึ้นลงทุกวันเพราะกขึ้นลงทุกวนแกก็ออกกําลังกายอยู่ออกกำลังกายก็เข้มแข็งก็ก็ไม่เป็นภาระของเราทีเนี้ย เนี่ยคือคือลูกหลานต้องฉลาดในการที่จะจัดการทํางานให้พ่อแม่ของเราได้ออกกาลังกายกระดูเข้มแข็งเยอะไหม mm hmm. เออแค่ไม่เป็นโรคอะไรแเจ็ยบเหมือนคนอื่นนะั่นแหะเออวันวันวนั่งซังเยาไวะเวลาทําครัวเราก็ไปนั่งสั่งเยาเวะเลยชุกมัวเย็นก็ไปลดน้ำผักนี่ฮมันก็อยู่ที่เราจะบริหารจัดการนะไม่ใช่ว่าเราจะรอให้มันเป็นไปอย่างนี้เราก็ต้องทําก่อนแต่เราพอท่านไม่ไหวแล้วมาจัดการโอ้มันไม่ทันแล้วเราต้องจัดการท่านที่ยังไม่เป็นอะไรนู่นนะ แเราต้องดูแลท่านแต่นนู่นเพราะท่านแก่ตัวมาก็จะไม่เป็นภาระแล้วนะอแต่ว่าใครบ้างที่จะคิดได้อย่างนี้ยากเราะเราก็เฉพาะเรื่องตัวเรามันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมในใจลูกจะพัวจะเมียไหนจะคนกันคนงานไหนจะเรื่องสุขภาพไหนจะเยอะแยะพอพ่อแม่แก่เท่ามาก็เป็นภาระเป็นวีบากแล้วเพราะเราไม่ดูแลท่านบางคนดูแลเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าดูแลผิด หาอาหาร อ, อะไรดีๆให้พ่อมากินจะพาไปเที่ยวไปนู่นตามที่คิดว่าทําดีที่สุดแต่มันไม่ถูกทางมันผิดทางทําให้ท่านอ่อนแอลงใช่ไหมทำอะไรตามใจมาขึ้นได้อย่างใจลูกหลานตามใจพอวุฒเฒ่าอายุมากขึ้นสัญญาไม่ดีความเข้มแข็งไม่พอก็เริ่มงองแงอะไรใช่ไหมเริ่มเป็นภารามั้ยเป็นภาราเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันหมดต้องเลี้ยงให้ถูก ถ้าเลี้ยงไม่ถูกแล้วเราก็จะเป็นภาระาเรื่องถูกหมายควาว่ามีการาใช้ให้เกิดให้เขาเข้มแข็งขึ้นน่ยให้เขามีกําลังเข้มแข็งขึง้นให้เขามีสติสัมยะเข้มแข็งขึงข้นนะก็ เ, เลี้ยงถูกแล้วถ้าหากเลี้ยงแล้วเขากำลังกายเขาอ่อนลงสติมีเขาอ่อนลงถือว่าเลี้ยงผิดคุณจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ถือว่าผิดเพราะทําให้เขาอ่อนแอลงเมื่อรัฐบาลช่วยประเทศชาติถ้าทำให้ประชาชนอ่อนแอลงรัฐบาลก็ทําผิด แต่ถ้ารับาญช่วยประเทศชาติระบาญทำให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นแสดงว่าช่วยประเทศชาติได้ถูกถูกทางเห็นไหมมันมันเกี่ยวข้องเงนหมดอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องส่วนตัวดนะส่วนรวมในครอบครัวเหมือนกันถ้าเราช่วยกันสามีช่วยภริยาภริยาช่วยสามีในทางที่ถูกเราต่างคนต่างเข้มแข็งขึ้นแต่ช่วยกันในทางที่มีต่างคนต่างทํากันให้อ่อนแอลงจริงไหมนั่นก็เป็นภาระของกันและกานโอกาสต่อไปดังนั้นการปฏิบัติภาวนาทําไมเราต้องเน้นให้ทําให้มาก เพื่อให้เกิดความให้เกิดปัญญาในการบริหารจัดการเรื่องรอบตัวเนี่ยให้ได้ก่อนถ้าปฏิบัติภาวนาจะเอาบุญกุศลจะไปมาผลนิพพานแล้วเรื่องใกล้ตัวยังจัดการไม่ได้เรื่องเลยเพระผลนิพพานมันเลยมันเรื่องลึกเรื่องละเอียดเรื่องยาวๆคุณยังจัดการไม่ได้เล ย, ลเลยเ อ, อ, ลอละอยอยอ ม, ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่ขยันให้ขยันทําเพื่ออะไรเพื่อให้ได้จิตที่ดีๆจิตที่ตั้งมัน่น ในช่วงที่ทำก็ขี้เกียจบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างมันไม่ใช่เราไม่คุ้นใช่ไหมแต่คุณก็ต้องใช้ววควา ม, ววา ม, าวามอด ท, ทนหน่อยความอดทนความศรัทธาความขยันทำหน่อยเออมันร้อนก็ทนเหน่อยเออมันเบื่อก็นกทนหน่อยเออมันขี้เกียจก็ทนหน่อยมันง่วงก็ทนเหน่อยอาหาวิธีใช้ปัญญาแก้ไปเรื่อยๆต่ในช่วงปฏิบัติน่ะมันได้ใช้ปัญญาแต่ไม่ใช้ปัญญากูเบื่อกูก็เลิกเลยนี่ไม่ได้ปใช้ปัญญาอะไรเลยกูเมื่อยเลิกเลย ง่วงเลิกเลยนี่ไม่ได้ใช้ปัญญาเลยถ้า ง, ง่วงต้องใช้ปัญญาแล้วไม่ใช้ปัญญากูจะผ่านง่วงนี้ได้ไงเกิดการตั้งสติขึ้นมามันเบื่ออยากจะห น, นีอ่ะกูจะผ่านในความเบื่อนี้ได้ไงมันตั้งสติสู้เลยตรงนี้เรียกว่าทําได้ถูกล้วเพราะมันตั้งสติเพื่อที่สู้เพื่อที่จะแปลเปลี่ยนแปลงในส่วนที่แปรปลนุนให้มันเกิดเป็นปัญญาให้ได้แต่ถ้าเราไม่มี ตั้งสติเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงความแปลปนที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนะปัญญามันก็ไม่เกิดอะ่ะเราก็ต้องทุกข์อ่ะใช่ไหมว่ามาปฏิบัตินี่สองสามวันกูไม่ได้เลยเสียเวลาเสียหลายได้ตัางหากเราก็จะคอมเพลนกับตัวเองได้ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ความแปรปวนเหล่านี้ถูกมันทีวันเดียวมันได้เรื่องเลยนะบางคนนะวันเดียวได้เรื่องเลย อ, อย่าว่าแต่สามวัน แต่ถ้าหากเรา บ, บริหารจัดการไม่ถูกสามวันก็สามวันไม่ได้เลยเจ็ดวันก็เจดวันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นในความไม่สบายกายไม่สบายใจถ้าเรา บ, บริหารจัดการเป็นมันกับเป็นโอกาสให้เกิดปัญญานะการให้เกิดปัญญาได้แต่บริหารจัดการให้มันดีให้เซ็ตอัพก่อนว่าเออเราปฏิบัตินี้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของพ่อบอกให้ให้คุณตื่นรู้ตลอดนะได้ไหมถ้ามันไม่สบายมา จัดการในความไม่สบายเกิดการตื่นรู้แต่ถ้ามันสบายมาเราไปกลัวความสบายความถื่รู้ไม่เกิดแต่ถ้ามันสบายขึ้นมาเราไปเสพสุขความตื่รู้ก็ไม่เกิดเมื่อสบายขึ้นมาเราไม่เสพเรารู้ความสบายแล้วก็รีบทําความเพียรในช่วงที่สบายร่างกายสบายรีบทําความเพียรเรเื่องเรื่องจ่างจังหวะความตื่นรู้ก็เกิดใช่ไหมอันนี้การบริหารจัดการความแปรปรวกของร่างกายและจิตใจเท่านั้นเองการภาวนาเรียกว่าวิปัสนา แต่ถ้าเป็นสมถะแล้วไม่ต้องไปจัดการแก้ปัญหาบังคับให้มันหยุดอย่างเดียวมังคับให้มันหมดอย่างเดียวแล้วมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะอันนี้จำไปทํางานตลอดเวลา <c oughs> ความแปลป่วยก็ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาตามกฎของมันเลยอ่ะอีกเรี่องไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองไปศึกษาปฏิบัติดูแล้วก็ในช่วงตอนเพลนอาจจะมีโย ม, มาอทอนพระป่านนิดหน่อยนะสี่ห้าคน แล้วก็ปกตินี่แหละตัก อ, อาหารมาทานอาหารร่วมกันถ้ก า, ากิดทอดทอดปาดร่วมกันก็จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรสําคัญแบบชาวบ้านไม่ต้องตีค้องก้องมงโหนกันรอบซาลาไม่ต้องแบบนั้นเงินสี่สิบหพันโหเลี้ยงกันแล้วเล้ยโหนก็รอบซาลาถึงสามรอบเลยนะวกว่าจะทอดกันได้อะไรก็ได้เ ส, สียเวลาสามชั่วโมงเงินห 2, ้าพันใช้ไปใช้มาเหลือสองพันอะไรเงี้ย มัไม่มันเป็นเรื่องสนุกอ่ะเอาเงินมาเพื่อให้ให้แต่งเรื่องให้พระได้หาเรื่องสนุกให้ทำนั่นเองไม่ได้เป็นบุญกุศลอะไรมากมาใคดังนั้นก็ทุกอย่างเป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรนะจะขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจที่ศึกษาเรียนรู้ในวันนี้อีกวันหนึ่งให้เกิดปัญญาบารามีเข้มแข็งด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ